จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันในทุกเรื่องที่จะทำเป็นเสียงอ่านต่อไปขอเชิญรับฟังแล้วร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับภาคหนึ่งมัเจนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมะที่เป็นกลาง เอเตเตภามะนาอุโพอันเตอุนุปธรรมะมัชเชนตถาคตโตธรรมมังเทเสติอวิชาปัจญาสังขาราสังขาระปัจญาวิญญาณังนครามตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างนั้นยอมแสดงธรรมโดยท่ามกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี ภาพรวมมัชเชนธรรมเทศนาว่าตามสภาวะของธรรมชาติมัชเชนธรรมเทศนาคือการแสดงความจริงเป็นกลางพอดีตามสภาวะของธรรมชาติไม่เฉไม่เอียงไม่สุดตรงเลยเถิดไปเช่นไม่กลายเป็นอธิกวาตลทิวทุกอย่างมีจริงหรือนธิกวาท ลัทธิว่าไม่มีอะไรจริงเลยไม่เป็นสัตสตวาสลัทธิว่าเทียงแท้หรืออุเฉทววาสลัทธิว่าขาดศูญเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรว่าตามธรรมะปฏิจจสมุปบาทกฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ ใต้ร่มมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วยังคงประทับที่นั่นเวยวิมุตติสุขหนึ่งสัปดาห์จากนั้นเสด็จออกจากสมาธิแล้วส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ได้ตรัสรู้ตลอดสมยามแห่งราตรีโดยยามที่หนึ่งส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบอนุโลมคือตามลำดับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ในการเกิดขึ้นของสภาวะที่เรียกว่าทุก์จบแล้วมีพุทธอุทานใจความว่าเมื่อธรรมะทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจนก็สิ้นสงสัยเพราะรู้เข้าใจธรรมะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยนี่คือปฏิจจสมุปบาทปลายกระบวนการก่อทุก์ที่เรียกว่าสมุ ท, ทยัยคำว่าอุทานในภาษาบาลี ไม่ใช่มีความหมายอย่างในภาษาไทยที่เพี้ยนไปแล้วแต่หมายถึงเนื้อความที่ผุดขึ้นปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งมักแปลงออกมาเป็นถ้อยคำหรือข้อความเช่นเป็นคาถาด้วยความเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจในยามที่สองทรงพิจารณาปฏิจจสมุป บ, บาทนั้นแบบปฏิโลมคือย้อนลำดับ ตามกระบวนการดับไปของสภาวะที่เรียกว่าทุกนั้นจบแล้วมีพุทธอุทานใจความว่าเมื่อธรรมะทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจนก็สิ้นสงสัยเพราะได้รู้แจ้งสภาวะที่สิ้นเหตุปัจจัยนี่คือปฏิจจสมุปบาทปลายกระบวนการดับสลายทุก์ที่เรียกว่านิโรธในยามที่สส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น ทั้งอนุโลมปฏิโลมคือทั้งกระบวนการเกิดขึ้นและกระบวนการดับสลายแห่งเหตุปัใจจัยในการก่อเกิดทุกข์นั้นจบแล้วมีพุทธอุทานใจความว่าเมื่อธรรมะทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจนก็ขจัดบำราชมานเสนาดังดวงสุริยสว่างฟ้าเจิดจ้าอัมภัยรวมความว่าพระพุทธเจ้าปรัสรู้ปฏิจจสมุป บ, บาท หรือเมื่อตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นพระพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าการอาศัยกันกันเกิดขึ้นคือการที่อะไรอะไรปรากฏมีขึ้นโดยความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมาจึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยาการคืออาการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย หรืออาการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยปฏิจจสมุปบาทนี้บางทีเรียกชื่อควบว่าอิทัปั จ, จยตาปฏิจจสมุปบาทเข้ากับคำตรัสที่แสดงหลักกลางหรือหลักทั่วไปก่อนแล้วตามด้วยหลักแจกแจงดังที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าว่าดังที่ว่าเมื่อนี้มี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 กระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้มีอยู่เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติเรียกง่ายๆว่าเป็นกฎธรรมชาติไม่ขึ้นต่อการเกิดการมีของพระพุทธเจ้าพระศาสดาหรือผู้วิเศษใดๆดังที่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วเมื่อทรงประกาศธรรมเคยตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีมาในพระไตรปิฎกเล่มที่สิหว่า ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็าตามธาตุนั้นคือธาตุหลักนั้นก็มีอยู่คงอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามกฎธรรมชาติคืออิทธปัจยตาตถาคตตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายและจึงตรัสว่าจงดูสิ รออาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารไปยานคำว่าตถาคตเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองและได้หลายอย่างแต่แปลง่ายๆว่าพูดถึงความจริงและในที่นี้ก็เป็นพระหูพจน์เป็นการไม่ผูกขาดจำกัดตัวคือรวมหมดถึงพระพุทธเจ้าหรือพูดถึงความเจริญทั้งปวง ในเรื่องนี้พึงรู้ทันความจํากัดของภาษาด้วยเช่นกิริยาว่ามีก็หมายถึงเป็นด้วยเช่นที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนี้อวิชชาคือไม่มีวิชาไม่รู้แจ้งยังไม่รู้ความจริงแท้ก็คือครอบคลุมความรู้ที่ยังไม่ถึงความจริงแท้ตั้งต้นแต่รู้ผิดเข้าใจผิดรู้ถูก เข้าใจถูกความหมายจึงไม่ใช่แค่ว่ามีไม่มีแต่คลุมไปถึงว่ามีอวิชชาให้รู้แค่ไหนไม่รู้แค่ไหนอย่างไรในลักษณะใดก็เป็นปัจจัยให้สังขารความคิดปรุงแปรแต่งสรรเป็นอย่างนั้นๆได้ถึงแค่นั้นในลักษณะาอาการอย่างนั้นๆดังนี้เป็นต้นในข้ออื่นๆ ต, ต่อไป ที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นต้นนั้นก็พึงเข้าใจทํานองนี้ไม่ใช่มองแค่ว่ามีไม่มีจากกทั่วไปว่าเมื่อนี้มีนี้จึงมีเป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าทรงไขความโดยแสดงปัจจาัการหลักกลางไว้คือปัจจาัการแห่งการเกิดทุกข์เกิดปัญหา ดับทุกดับปัญหาของชีวิตมนุษย์เรียกง่ายๆว่าปัจจัยาการของชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเรื่องใกล้ชิดที่สุดติดอยู่กับตัวในตัวของมนุษย์เป็นประจำยืนตัวอยู่กับมนุษ ย, ยชาติคู่กับความเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นการรู้จักตัวเองของมนุษย์ที่เป็นกระบวนการของธรรมชาติซึงมีพร้อมทั้งรูปธรรมและนามธรรมรวมทั้งโลก อยู่ในตัวนี้เป็นฐานไว้อันจำเป็นก่อนอื่นในการที่จะก้าวออกไปมองดูรู้เข้าใจและปฏิบัติจัดการกับโลกที่กว้างออกไปไม่จบสิน้นปัจจัยาการที่เป็นกระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งขยายวงกว้างออกไปของมนุษย์ก็คือปัจจัยาการทางสังคมแต่ในขั้นหรือระดับนี้เหตุปัจจัยไม่อยู่แค่แดนของธรรมชาติ แต่ออกมาสู่แดนแห่งสมมติบัญญัติด้วยซึ่งมีปัจจัยด้านต่างกาลเทศะเข้ามาสัมพันธ์จึงไม่ใช่เรื่องที่จะแสดงกระบวนการไว้ได้ยืนตัวแต่เป็นเรื่องที่มนุษย์ผู้มีปัญญาเมื่อรู้หลักแล้วก็จะมองเห็นและจับโยงสัมพันธ์เหตุปัจจัยซ้อนแปรในกาลเทศะนั้นๆได้แต่กระนั้นก็มีบางโอกาส ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจยาการทางสังคมไว้เหมือนเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างสังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ความเป็นไปของสังคมจึงสืบเนื่องจากปัจจยาการของชีวิตในแดนของธรรมชาติด้วยดังเช่นที่พระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงปัจจยาการแห่งทุกข์และปัญหาทั้งของชีวิตและของสังคม โดยมีจุดร่วมแยกขยายที่ตันหาข้อนี้มีมาในมหานิทานสูตรประายปิดกเล่มที่สิบซึ่งพอแสดงแบบรวบรัดได้ดังนี้ในที่นี้คือแต่ละสิ่งเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งนะครับอวิชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณโดยในยะเดียวกัน ให้เกิดนามรูปเกิดสลายต น, นะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาจากตัณหานั้นสายหนึ่งคือเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสเท่ากับทุกข์ของชีวิตอีกสายหนึ่ง ตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดปริเยสนาคือการสแสวงหาปริยสนาเป็นปัจจัยให้เกิดลาภะคือการได้มาโดยในยะเดียวกันเกิดวินิจัยคือการกักการเกิดฉันทราคะติดใกลเกิดอโชสานะห่วงพะวง์เกิดปริหะรอครองเกิดมัชริยะหวงแหนเกิดอาราักะ การเก็บกันเป็นปัจจัยให้เกิดการถืออาวุธแก่งแย่งวิวาทความชั่วร้ายต่างๆเป็นต้นเท่ากับทุกข์ของสังคมอีกตัวอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ปกครองซึ่งไม่รักษาหลักในการบริหารบ้านเมืองทำให้เกิดความชั่วร้ายความเสื่อมความทุกข์ของสังคมซึ่งมีมาในจกักรวติสูตร ดังที่ว่าไม่จัดสรรปันทรัพย์แก่ผู้ยากไรเป็นปัจจัยให้เกิดความยากจนระบาดความยากจนเป็นปัจจัยให้เกิดอัินาทานคือการปล้นขโมยลักทรัพย์ระบาดและโดยในย่าเดียวกันเป็นปัจจัยส่งถึงการตามลำดับคือเกิดการใช้อาวุธระบาดการฆ่าฟันกัน ร, ระบาดเกิดมุสาวาดและประดาความชั่วร้ายทุจริตแพร่ระบาด เป็นปัจจัยให้อายุวั น, นะเสื่อมใครจะคิดค้นวิเคราะห์ทําการอะไรก็อาจจะลองทําแผนปัจจัยการขึ้นมาดูอิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมยกเว้นสภาวะที่เป็นปัจจยไข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 เป็นตนต้ในที่นี้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสร้างสารรบัรดาลสังการบัญชามันได้บางทีก็ใส่คำว่าธรรมะต่อท้ายติดไว้เป็นสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีภาวะของมันไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใครอย่างเช่นน้าไฟกายใจตาหูรูปเสียงกลิ่นดินลมแต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม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 มาจากรากศัพท์เดียวกันเป็นเพียงรูปศัพท์ที่ยักเยื้องไปตามวิธีการของภาษาเป็นอันว่าสังคตธรรมหรือสังขารก็คือสิ่งที่สภาว่าธรรมซึ่งถูกปัจจัยทําสร้างปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรธรรมหรือนามธรรมอันต้องเป็นไปตามปัจจยาการหมายเหตุ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 ในจิตใจอันมีเจตจำนงหรือเจตนาเป็นประธานเป็นตัวนำทาหน้าที่ปรุงแตลงแต่งสรรสภาพจิตความนึกคิดตลอดจนการแสดงออกเป็นพฤติกรรมการกระทาของมนุษย์เป็นระบบความคิดและกระบวนการพฤติกรรมของเขาพูดสั้นๆว่าปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วปรุงแต่งการคิดการพูดการกระทำ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 มีรูปประมหนึ่งขันและนามนธรรมสี่ขันคือ 1. รูปประขันกองรูปคือร่างกายซึ่งเกิดจากรูปประรรมที่ประกอบมากมาย 2. เวทนาขันกองเวทนาคือการเสพเสวยความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุก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 คือสภาวะธรรมที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกระบวนปัจจัยาการของชีวิตที่ได้กล่าวข้างต้นดังได้บอกแล้วว่าปัจจัยาการที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นกระบวนหลักคือปัจจัยาการของชีวิตซึ่งก็คือปัจจัยาการของขันห้านั่นเองดังที่มีบอกในคำพีว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นแบบไว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 เมื่ออวิชายังคงอยู่มีอยู่ในขีดระดับแนวทางลักษณะอาการอย่างไรโดยสัมพันธ์กับปัญญาที่พัฒนาขึ้นอย่างไรหรือไม่แค่ไหนคนก็มีสังขารที่จะใช้ปรุงแปรแต่งสรนกรรมในการคิดการพูดจาประกอบกิจปฏิบัตจิจัดการทั้งหลายได้ในขอบเขตแนวทางและในลักษณะอาการอย่างนั้นแค่นั้นดังนั้น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 กันแค่เป็นตัวอย่างดังนี้ตัวนําหรือตัวหนุนได้แก่เจตนามนานสิการฉันทะวิริยะปีติสมาธิเจตนาพึงให้เป็นกุศลเจตนามนานสิการพึงให้เป็นโยนิโสมนานสิการคือรู้จักคิดยากคายฉันทะพึงให้เป็นกตุต ก, กรรมมิยตาฉันทะ ความอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์ป่ายร้ายได้แก่โมหะอฮิริกะไม่ละอายบาปอโนตปปะไม่กลัวบาปอุทธะฟุงซานวุ่นวายใจโลพะทิฏฐิมานะคืออยากใหญ่โทสะอิสาคือริษยามัจริยะ กุกุจจะคือกลุ้มกังวลถีนะคือหดหูท้อถอยมิทธะคือหงอยซึมวิจิกิจชาคือความลังเลสำหรับฝ่ายดีได้แก่ศรัทธาสติอิริโอตตปปะจาคะคือใจกว้างเสียสละมีน้ำใจเมตตาการุณามุทิตา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 ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาหรือที่จะไม่ให้ความสมใจปรารถนาซึ่งรวมแล้วเรียกให้สะดวกสั้ น, นว่าทุกขพูดเป็นสำนวนความว่าจากทุกขที่เป็นธรรมดาแห่งสภาวะของสังขารก็ขยายออกมาเป็นทุกข์ในใจของคนตามที่ว่านี้คาว่าทุกข์จึงเป็นคำสำคัญสำหรับมนุษย์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 สัรหาอุปาทานหมดที่อาศัยหมดสิ้นปัจจัยทุกขก็ดับคือไม่มีอีกต่อไปอยู่ด้วยปัญญาเป็นสุขอย่างอิสระเสื่อไป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 เพื่อสอนย้ำให้พระและประชาชนใส่ใจปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสื่อมและสร้างความเจริญงอกงามส่งย้ำถึงกับตรัสรับรองว่าถ้าปฏิบัติอย่างนั้นวุฒิเยวะปาติกังขาโนเบริหานิจะหวังได้แต่ความเจริญเท่านั้นไม่เสื่อมเลยพุทธดา ร, รัสประโยคนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกบ่อยอย่างยิ่งเกินหนึ่งร้สิบครั้ง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 ล่าวคือมัคคามีองค์8ประการอันประเสรฐนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทาว่าตามสมมุติของมนุษย์มัชฌิมาปฏิปทาคือการดาเนินชีวิตสายกลางอย่างถูกต้องพอดี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 ว่าตามคนบทฐานแห่งมัชเชนาเทศนาวางปฏิบัติการที่เป็นมันชิมาดังได้เล่าแล้วเมื่อเริ่มภาคแรกว่าภายใต้โรมมหาโพนรินรมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วหลังจากเสวยวิมุตติสุขหนึ่งสัปดาห์ได้เสด็จออกจากสมาธิ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 ย่อมเป็นสิ่ง th ที่เห e ็นได้ยากกล่าวคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจะสมุบาทแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากกล่าวคือนิพพานเมื่อทรงพระดาริดังนี้แล้วก็น้อมพระไทยไปในทางที่จะไม่เสด็จไปสั่งสอนธรรมแต่หลังจากนั้นทรงมองเห็นว่าในหมู่สัตว์คือประชาชนเหล่านั้น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 แล้วก็เสด็จไปยังอิสิปัตนะมฤคธายวันทรงแสดงปรมมเทศนาคือเทศครั้งแรกที่มีชื่อว่าธรรมจักรกัปวัตตนสูตรเรียกกันง่ายๆว่าพระธรรมจักรแก่พระเบญจวคีในการเทศครั้งแรกนั้นทรงเริ่มด้วยการให้พระเบญจวคีรู้จักแยกวิถีใหม่ของพระพุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทา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 ในหมู่คนที่แตกต่างกันนี้มีบางส่วนที่มีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อได้ฟังจะรู้เข้าใจส่วนคนอื่นๆผู้สอนต้องใช้วิธีสอนยักเยื้องไปในการที่จะช่วยให้เขาค่อยๆรู้เข้าใจตําตามต่อๆกันไปในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประกาศ ธ, ธรรมคือตรัสบอกเล่าสอนความจริงที่ได้ตรัสรู้นั้น แต่ปรากฏว่าโดยทั่วไปวิไดสอนกฎธรรมชาตินั้นเต็มหลักตามสภาวะของมันโดยตรงแต่ได้ทรงนำความจริงของปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยาการมาประยุกต์สั่งสอนในรูปลักษ์หรือระบบการนำเสนอที่ทรงเรียกชื่อว่าอริยสัจสี่อริย ส, สัจสก็คือหลักความจริงตามกฎธรรมชาติแห่งปัจจัการ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 เหนือจะร่ำพันนาะพาให้คนสนใจใฝ่ใจพร้อมใจมีกำลังที่จะเพียรพยายามก้าวไปในมรคคาเป็นจุดตั้งต้นให้คนโลงมือทาเริ่มปฏิบัติโดยไม่กลัวความยากจัดวางเป็นหลักความจริงอย่างหนึง่งเรียกว่าอริยสัจข้อ <het> ท <CL 3> ี่สคือน <t> ิโรธข้อที่สี่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 จนถึงจุดที่จะให้เกิดผลเป็นนิโรธคือความดับทุกนั้นตลอดช่วงของกระบวนปัจจยาการที่เป็นการดับสลายปัจจัยของทุกนั้นก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งจัดเป็นอริยสัจข้อที่สคือมรรคเรียกชื่อเต็มว่านิโรธาคามินีปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินที่นาไปสู่นิโรธ ยอย่างไรก็ดีมักเป็นคำเรียกสิ่งที่มนุษย์ทำได้ปฏิบัติได้คือเดินทางหรือก้าวไปในการปฏิบัติปฏิบัติในภาษาบาลีแปลว่าดำเนินเดินทางแต่การดับปัจจัยต่างๆในปัจจยาการนี้เป็นความเป็นไปของธรรมชาติตามความจริงที่เราเรียกว่ากฎของมันในทางปฏิบัติเมื่อกด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 นำไปปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงเรียกว่าอาริยสัจสในอริยสัจสีประการนั้นข้อที่มนุษย์ต้องทำต้องปฏิบัติเป็นเรื่องของมนุษย์ก็คือข้อที่สได้แก่มรรคส่วนข้ออื่นทั้งสคือทุกข์สมุทัยและนิโรธมนุษย์เพียงแต่ตรหนักรู้สภาวะและความเป็นไปของมัน ตามที่เป็นความจริงในธรรมชาติมนุษย์ทาอะไรต่อมันโดยตรงไม่ได้เมื่อต้องการจะให้มันเป็นอย่างไรเช่นในข้อสองจะให้กิเลสอะไรลดหายในข้อสจะให้บรรลุผลอะไรก็ต้องไปทำในข้อสคือมรรคนี้โดยปฏิบัติการใหต้ตรงเหตุปัจจัยที่จะให้มีความเป็นไปาตามปัจจญาการ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 อริยสัจสกับหลักการดับไฟทุกกับไฟไหมสมุทัยตามอริยสัจคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจนถึงตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเป็นต้นสมุทยัยสาเหตุของไฟไหมคือเชื้อไฟบวกออกซิเจนบวกอุณหภูมิถึงขีด นิโรธตามอริยสัจอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับเป็นต้นนิโรธไฟดับคือไม่มีเชื้อไฟขาดออกซิเจนอุณหภูมิต่ำมัจตามอริยสัจประพฤติศีลพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญามัจวิธีปฏิบัติในการดับไฟรักษาภาวะปลอดเชื้อไฟสาดน้าฉีดน้าใส่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 การรู้เข้าใจและทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจะพูดไว้สั้นๆพอป้องกันความเข้าใจและการปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาดหน้าที่ต่ออริยสัตสี่นั้นเรียกตามถ้อยคำเดิมว่ากิจในอริยสั์ได้แก่หนึ่งกิจในทุกขปริญญาปลาตามที่นิยมสืบๆกันมาคือการกาหนดรู้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 3. กิจในนิโรธสัจฉิกิริยาแปลตามที่นิยมสืบๆกันมาคือทำให้แจ้งคือประจักษ์แจ้งเข้าถึงภาวะที่ปลอดทุก์ราศจากปัญหาบรรลุจุดหมาย 4. กิจในมรรคภาวนาแปลตามที่นิยมสืบๆกันมาคือเจริญ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 เราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุก์มีทุกขหรือแบกทุกข์เอาไว้แต่อย่างไดเลยในข้ออื่นต่ อ, ตอไปเราก็ต้องทําหน้าที่ต่อมันให้ตรงตามกิจในแต่ละข้อนั้นๆถ้าเข้าใจหลักเท่าที่ได้พูดมาจะมองเห็นว่าสมข้อต้นคือทุกข์สมุทยัยและนิโรดนั้นเป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยาการหรือพ้นจากปัจจัยาการตามธรรมดาของธรรมชาติ ดังได้บอกแล้วว่ามนุษย์จะทาอะไรแก่มันโดยตรงไม่ได้จึงอยู่ในภาคมัชเชนะธรรมเทศนามีเพียงข้อสคือมรรคอย่างเดียวที่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะทำจะปฏิบัติได้ส่วนในสามข้อแรกเราได้แค่รู้เข้าใจมันเช่นรู้กิจหรือหน้าที่ต่อมันว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเมื่อจะให้กิจนั้นๆเป็นไปจนสาเร็จ ก็ต้องมาทำการปฏิบัติในข้อมักย้ำว่าสมข้อแรกคือทุกสมุทัยและนิโรธอยู่ในภาคแห่งธรรมดาของธรรมชาติคือภาคมัชเชนะธรรมเทศนาจึงมีข้อสคือมักอย่างเดียวที่เป็นเรื่องปฏิบัติการของมนุษย์ซึ่งจัดเป็นภาคมัชชิมาปฏิปทา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 อริยสัจจะซึ่งแยกได้เป็นสองคำคืออริยะบวกสัตมีจอจานกรันอริยะแปลกันมาว่าประเสริฐและสัตคือสัจจะก็แปลว่าความจริงรวมกันแล้วจึงแปลตามตัวว่าความจริงอันประเสริฐแต่มีเรื่องราวที่เป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อได้รู้แล้ว ก็จะช่วยให้มองเรื่องราวรวมทั้งความหมายของคำว่าอริยศัสตร์นี้ลึกลงไปอีกคำบาลีอริยอออางรอเรือสา ร, อรอียอยักษ์ที่เขียนอย่างไทยเป็นอริยเพิ่มสระอเข้าไปและแปลกันว่าประเสริฐนี้มีรูปในภาษาสันสกฤตสะกดด้วยอออางสรราอรอเรือมีจุดข้างล่างแล้วก็ยอยักษ์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 และทรงจัดแบ่งคนเป็นสี่วันณะได้แ ก, ก่กษัตริย์คือเจ้านายรามคือนักบวชหรือเจ้าตำราแพทย์คือพ่อค้าและสูตรคือคนชั้นต่าธาตและกรรมกรพวกอริยะอริยกะอริยะหรืออริยนันนี้เป็นสามวันณะต้นกดคนพื้นถิ่นเดิมลงเป็นสูตรแล้ววันณาทั้งสี่นั้น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 ดังว่าแล้วอริยสัจส์3ข้อแรกเป็นเรื่องของความจริงตามธรรมดาของธรม ร, ธรมชาติหรือกฎธรรมชาติที่นำเสนอต่อปัญญามนุษย์โดยจัดวางตั้งไว้เป็นฐานเป็นที่อ้างอิงซึ่งปฏิบัติการของมนุษย์ในอริยสัจ ท, ที่4ี่จะต้องเป็นไปและให้เกิดผลสมตามหรือสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติในอริยสัจสข้อแรกนั้นเมื่อการปฏิบัต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 มรคที่เป็นการพัฒนาชีวิตบนฐานแห่งความเจริญของกฎธรรมชาตินั้นดำเนินไปตามกระบวนปัจจาัการฝ่ายนิโรธที่ตั้งต้นว่าอาวิชญ า, านิโรธาสังขารนิโรโทคือดับอวิชานี่คือกระบวนการดับทุกข์หลอดไร้ปัญหาดำเนินไปด้วยการพัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไปจนอวิชาดับหายกลายเป็นมีวิชา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 ก็จะดำเนินไปกับชันทะที่ต้องการใกล้ไฟปรารถนาอย่างนั้นๆชันทะนั้นมีสองอย่างคือหนึ่งตัณหาชันทะเรียกสั้นๆว่าตัณหาคือความอยากให้ตัวตนได้เสพสวยสนองรับการปรนเรอหรือได้เสริมขยายความยิ่งใหญ่เช่นวดโอโก้เกเป็นข้อที่ไม่ควรให้เกิดให้มีขึ้น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 ทางชีวิตนี้ที่ดำเนินไปผิดก็เป็นมรคซึ่งมีองค์ประกอบแปที่ผิดเป็นมิจฉาเริ่มด้วยทิฏฐิผิดเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิถ้าดำเนินไปผิดอย่างนี้มรคก็เป็นมิจฉามรค นิยมเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาทีนี้ธรรมคาทางชีวิตนั้นจะดาเนินไปถูกต้องก็ต้องเป็นมัชซึ่งมีองค์แปที่ถูกต้องเป็นสัมมาเริ่มด้วยมีทิฏฐิถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามสัมมาสติและสัมมาสมาธ ถ้าดำเนินไปถูกอย่างนี้มรรคก็เป็นสัมมารมรรคที่นิยมเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเรียกให้งามว่าอริยอัตถังคิกมัรรคหรืออริยอัตสดาคีกรมัรรคแน่นอนว่าเราต้องการมรรคที่เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นทางชีวิตที่ถูกต้องเป็นกระบวนารสัมมารมรรคของคนที่ทำให้กระบวนปัจจัการ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 จึงสรุปแสดงระบบของมรรคมีองค์8ดที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอเห็นรูปเขาดังนี้ในที่นี้ในหนังสือเป็นแผนภาพนะครับประกอบด้วยปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นลูกศรชี้หาซึ่งกนและกันนะครับและสัมมาสังกัปปะมีลูกศรพุ่งไปหาศีล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 คือดำเนินปฏิบัติการในการบาบัดรักษาจะสั่งยาอะไระไรเท่าไหร่จะผ่าตัดจะทำกายภาพบาบัดเป็นต้นก็ดำเนินกันไปบอกแล้วว่าอริยศัสตร์สมข้อแรกเป็นเรื่องของหลักของกระบวนของธรรมชาติเราจะให้มันเป็นไปตามนั้นมนุษย์ก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติตามมรคมรจึงเป็นเรื่องของมนุษย์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 แลวว่าพัฒนาหรือเจริญคือลงมือทาปฏิบัติจึงมีคำที่เรียกรวมว่ามรรคภาวนาเพื่อช่วยให้มรรคภาวนาคือการพัฒนากระบวนชีวิตนี้ก้าวไปอย่างดีที่สุดก็จึงจัดตั้งระบบการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขาขึ้นมาเมื่อการศึกษาได้ผลดีมรรคภาวนาดาเนินไปสาเร็จสมบูรณ์ก็ทาให้บุคคลนั้นๆ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 ความสุขต้องลุกถึงได้ด้วยความทุกยากพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ารังก่อนโน้นเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็เคยคิดอย่างนั้นต่อมาพระองค์เสด็จออกผนวดเที่ยวค้นคว้าว่าอะไรดีทรงสแสวงหาสันติวรบทได้ทดลองวิธีการต่างๆจนกระทั่งได้ทรงบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายมากมายมีความทุกยากแสนสาหัสรวมแล้วยาวนานถึงหปี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 พระพุทธเจ้าทรงอธิบายการทำหน้าที่พระศัสดาของพระองค์แล้วตรัสรุปความเป็นคถาลงท้ายพระดำรัสสอนของพระศัสดาว่าปาโมชะพะหุลาโหธะเขมังปเททะพิกขโวแลวว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทพึงปรารถนาความเกษมเถิด ปาโมชพหูลานี้ถือตามพระไตรปิฎกฉบับโบราณและฉบับอักษรพมา่าแต่ของฉบับสยามรัฐเป็นปาโมชพหูลาคำตรัสนี้ถือได้ว่าเป็นพระดํารัสสัง่งด้วยพระไทยปรารถนาดีมีพระมหากรุณาแก่บรรดาผู้ดําเนินมรรคาที่พระองค์ทรงสอนไว้ที่เรียกว่ามาชิมาปฏิปทาจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตาม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 โดยมีปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิตรหนักรู้ถึงความกเกษมที่เป็นจุดหมายคนก็ก้าวไปในมรรคาตลอดถึงจุดหมายด้วยปราโมทพร้อมด้วยชันทะโดยมีปัญญามองเห็นภาวะแห่งความกเกษมของชีวิตของสังคมและของทั้งโลกนี้ดังที่ได้กล่าวมานั้น พุทธธรรมเฉพาะภาพรวมธรรมะนิพนธ์เนี่ยสมเด็จพระพุท ธ, ธโคษาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สองสิงหาคมพุท ธ, ธศักราชส5 6 2บันทึกนำในการพิมพ์เฉพาะภาพรวมหนังสือพุทธธรรมนี้อธิบายหลักธรรมสำคัญสำคัญแยกเป็นบ ท, บท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 จึงจำเป็นที่จะต้องเขียนบทตอนซึ่งหมายใจไว้นั้นให้ทันที่จะแปลรวมไว้ในหนังสือฉบับที่มหาวิทยาลัยเอเชียแคนย์ขอแปลและจัดพิมพ์ร้อมทั้งพักงานหนังสือเร่งด่วนเรื่องอื่นๆทั้งหมดไว้ก่อนประโจ ว, ว่าใกล้ๆกันในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัยเอเชียแคนย์ได้แจ้งขอพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับเดิมเป็นครั้งที่สองของมหาวิทยาลัยและอีกด้านหนึ่งก็แจ้งขอพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยาย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 ขออนุโมทนากับผู้ร่วมจัดทําทุกท่านที่เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ให้เกิดสิ่งงานชุดนี้ขึ้นมาขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้เข็มทองโพคาพาณิชยวรักษ์คงคาสุวรรณอรวรัตจัตุรัตวัฒนากูลครอบครัวทรงพลครอบครัวสเลาหอมวิชานมนทาทิพยกุลปัญญาโกจันอุณพิน์สุกลึงพ่อบุญมีกองสิงห์จินวงนายะธนพันธ์สุทธหลวง